ช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะ่ยพมีการเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าภาษาสมัยใหม่เรียกว่าออนไลน์ให้น้อยลงนะวันละหนึ่งชั่วโมงนะใครที่เคยออนไลน์วันละเจ็ดแปดชั่วโมงก็ลดเหลือหกเจ็ดชั่วโมงนะคนที่รณรงค์หรือเชิญชวนนี่ก็ไม่ใช่ใครหรืออะไรที่ไหนนะตื่นลนยนะ ไลน์นี่เป็นแอปนะที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะเราใช้ไลน์กันเรียกว่าแทบทั้งประเทศแล้วก็หลายคนก็ใช้แทบทั้งวันแต่เขาก็ไม่ได้พูดตรงๆนะหรือว่าไม่ได้พูดว่าให้ใช้หรือออนไลน์ให้น้อยลงนะเขาพูดว่าให้เพิ่มนะการออฟไลน์ให้มากขึ้น ให้ออฟไลน์เพิ่มขึ้นนะวันละหนึ่งชั่วโมงนะออฟไลน์ off line คือว่าก็ไม่ใช้อินเทอร์เนต็ตนั่นแหละนะแต่ก็ใช้คำที่ดูฟังดูดีนะเพิ่มหนึ่งชั่วโมงให้กับชีวิตออฟไลน์ line นะก็คือพูดง่ายคือว่าออฟไลน์ line เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นนะ1นชั่วโมงซึ่งก็มีความหมายว่าให้ออนไลน์ นะน้อยลงนะวันละหนึ่งชั่วโมงอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะผู้คนรวมทั้งคนไทยด้วยนี่นะใช้เวลาการออนไลน์หรือการอยู่กับโทรศัพท์มือถือรวมทั้งพวกไอแพคอมพิวเตอร์นี่วันหนึ่งนี่เยอะมากข้อมูลเมื่อสามสี่ปีก่อนนะ เด็กไทยเนี่ยใช้เวลาในการคุยโทรศัพท์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเฉลี่ยนะวันละเจ็ดชั่วโมงนะในการคุยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นแหละเพราะว่าคุยผ่านไลน์แล้วนี่ข้อมูลเมื่อสามสี่ปีก่อนนะป่านนี้ก็อาจจะเพิ่มกันเป็นวันละสิบชั่วโมงแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้น้อยไปกว่า น, นี้แล้วก็มีแ น, นวโน้มว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆ กานที่พอใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์มากขึ้นเนี่ยหลายคนก็พบว่าเนี่ยมีเวลาทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าน้อยลงไม่ว่าการอยู่กับคนในครอบครัวลูกหลานพ่อแม่หรือว่าการออกกำลังกายบางคนตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะทำสมาธิเจริญสติฝึกจิตนะ เวลาสิบนาทีครึ่งชั่วโมงบางทียังทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะไม่มีเวลาเวลามันหายไปไหนนะก็หมดไปกับอินเทอร์เน็ตหรือการออนไลน์นี่แหละโดยเพราะการใช้ไลน์รวมทั้งโซเชียลมีเดียอย่างอื่นด้วยนะเช่นเฟซบ o o กอินสตาแกรมเนี่ยเดีย๋ยวนี้แ้กทั่งเวลาพักผ่อนนี่มันก็น้อยลงอันนี้ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะ หันมาทําตามที่เขาเชิญชวนนะก็คือว่าออนไลน์ให้น้อยลงอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงนี่ว่ามันจะได้เวลาเพิ่มขึ้นมาในการทํจสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์นี่เพิ่มขึ้นเลยนะเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นนะวันละหนึ่งชั่วโมงในการ ท, จรทนะํจสิ่งดีๆนะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อตจิตใจมีประโยชน์ต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว นะแบบเป็นๆตัวเป็นๆนนกันมากขึ้นเรื่อยงน้อยนะมันก็ช่วยลดความทุกข์ความเครียดนะเพราะเดี๋ยวนี้นี่คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ยยิ่งใช้นะก็ยิ่งเครียดนะบางทีมีอารมณ์อกุศลต่างๆเกิดขึ้นนะทั้งความโกรธนะทั้งความเครียดความ กลุ่มออกกุ้มใจความวิตกกังวลรวมทั้งความโลภด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันมีโฆษณาต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เราดูให้เราเห็นเนี่ยทางโซเชียลมีเดียสารพัดเลยนะออนไลน์ก็ดียู u b ปก็ดีอินสตาแกรมก็ดีเฟซบุกก็ดีโอยเห็นแล้วก็อยากได้เห็นแล้วก็อยากซื้อเห็นแล้วก็อยากมี ไม่มีไม่ซื้อก็ทุกกุ้มใจฉั้นถ้าเราใช้เวลาในการออนไลน์ให้น้อยลงนี่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะหรือมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรามีช่วงเวลาที่ทุกมีช่วงเวลาที่ไม่สบายใจนี่น้อยลงไปด้วยนะั้นหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะแล้วที่ทําัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามัน เป็นการฝึกจิตให้เรารู้จักอดกลั้นนะรู้จักอดกลัน้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทำอะไรตามใจอย่างนี้เยอะมากนะทั้งที่บางทีก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่มันห้ามใจไม่ได้แต่ถ้าเราลองฝึกนะเออเราจะใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลงวันละหนึ่งชั่วโมงใหม่ๆ ม, มันก็ต้องใช้ความอดกลั้นนะมากทีเดียวนะเพราะว่าคนอย่างนี้ติดซะละ ติดโทรศัพท์มือถือติดออนไลน์ที่จริงมันติดอย่างอื่นนะติดข้อมูลข่าวสารติดการชอ็อปติดหนังติดเพลงแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการเสพสิ่งเหล่านั้นก็เลยพลอยติดโทรศัพท์ไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราถึงแม้ว่าจะยังต้องใช้โทรศัพท์มือถือยังต้องออนไลน์อยู่นะแต่ว่าถ้าเรา ตั้งใจแล้วฝึกใจให้ใช้มันให้น้อยลงวันละหนึ่งชั่วโมงนี่โอไม่ต้องใช้ความอดกลั้นต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวแต่ข้อดีมันทำให้จิตใจเราเข้มแข็งนะแล้วพอใจเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยในการที่จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่ว่าจะเป็นควา ม, ยามอยากไม่เป็นความโกรธความโลภนะมันก็ น้อยลงนะเราจะสามารถเอาชนะมันได้มากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตใจคนเราอ่อนแอนะเพราะว่าเราอยากได้แล้วก็ทำตามสิ่งที่อยากติดอะไรก็พยายามหาสิ่งนั้นมาปนเปื้อนนะจิตใจเลยอ่อนแออ่อนแอแล้วนีนะ่การที่จะพ่ายแพ้ต่อ ก, กิเลสนี่มันก็ ง, ง่ายมากเสร็จแล้วก็ชีวิตก็ทุ ก, กขม์มากขึ้นย่ำแย่มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยตั้งใจว่าเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลงใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลงโดยเพราะในโหมดออนไลน์เนี่ยนะนะกมันจะช่วยทำให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยเลยนะรวมทั้งมีความสุขได้มากขึ้นด้วยหรืออย่างน้อยก็มีความทุกข์น้อยลง นั่นเราก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะในการที่จะทวนกระแสกิเลสจริงๆเนี่ยควบคู่ไปกับการร่นระงงเนี่ยชักชวนให้คนนะออฟไลน์ให้มากขึ้นออนไลน์ให้น้อยลงแล้วเนี่ยนกะ็ยังมีการชวนให้คนเราเนี่ยนะหรือเตือนใจใคิดก่อนส่งนะอันนี้ไลน์ก็ก็ร่นระงงเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้ก็พูดกันมานานคนก็พูดกันมานานแล้ว ก่อนจะส่งข้อความอะไรเนี่ยให้คิดซะก่อนนะอย่าเพิ่งรีบส่งแม้เราจะเขียนไปแล้วพิมพ์ไปแล้วเนจะด้วยความคิดความรู้สึกแบบแล้นก็ตามอย่าเพิ่งรีบส่งนะคิดก่อนแล้วไม่ใช่แค่ส่งในลางการแชร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้เรานะสร้างปัญหาให้กับตัวเองและผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่ด้วยการส่งข้อความที่ ปราจากการยั้งคิดแต่รวมถึงการแชร์นะมีข้อมูลอะไรมีลิื่องอะไรก็แชร์โดยที่ไม่ทันไต่ตรองใครควรให้รอบคอบและผลก็คือสิ่งที่แชร์ไปนี่มันไปมันเป็นข่าวเท็จมันไปก่อความเสียให้กับผู้คนหรือแก่ส่วนรวมวันนี้ก็เป็นข้อมูลผิดๆนะก็กลายไม่ว่าเราสร้างปัญหาให้ ดับสังคมโดยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นเพราะว่าเราขาดความรับผิดชอบถ้าเรารับผิดชอบเนี่ยเราก็ต้องไตร่ครอง ว, ว่าที่สง่งที่จะส่งไปเนี่ยที่จะแชร์ไปเนี่ยมันจริงไหมให้เวลาการตรวจสอบเช็คข้อมูลซะหน่อยนะไม่ใช่เห็นอะไรที่ถูกใจก็ส่งไปเลยนะบางทีมันก็กลายเป็นความมักง่ายหรือความไม่รับผิดชอบแต่ก่อนเนี่ยอันตรายของคนเนี่ยมันอยู่ที่ปลายเท้านะ อันตรายที่ปลายเท้าขึ้นเลยนะคือเวลาขับรถเนี่ยนะอันตรายมีที่การเหยียบเบรกแลการเร่งนะการเหยียบคันเร่งนะเหยียบคันเร่งมากๆนี่หรือเหยียบคันเร่งสุดๆนี่ก็เกิดอันตรายได้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้อันตรายมีที่ปลายปลายนิ้วแล้วนะไม่ใช่ปลายเท้าและอันตรายที่ปลายเท้านี่นะมันก็มีคนจำนวนเท่านั้นนะทีะ่จะสร้างปัญหาได้เพราะว่า คนขับรถนี่มันก็ไม่ได้มีกันทุกคนแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือนี่มันมีกันแทบทุกคนแม้กระทั่งเด็กอันตรายมันก็เลยขยับนะจากปลายท่ามาสู่ปลายนิ้วนะงั้นถ้าไม่มีสตินะไม่มีความยั้งชั่งใจนี่ไอ้ปลายนี่ของเรานั่นแหละมันจะสร้างปัญหามันจะก่ออันตรายเพราะฉะนั้นการคิดก่อนส่งการใค่อยควรก่อนแชร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถือเป็นควอเตือนใจที่สําคัญเลยจะถือว่าเป็นคุณธรรมเลยก็ว่าได้นะ พอไม่งนมันจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่น